ไปเกิดในรูปป่าเสนีผมไม่ใช่ว่าเกิดในเมืองมนุษย์นี่นะแต่เกิดรูปป่าเสนีผมมีอายุอยู่ห้าห้าพันปีพอดีดับขันที่นั้นตายเขาเนี้ยไปก็เลยไปนิพพานเลยเรื่อนั้นแต่อัตมาไม่ได้พูดอย่างนั้นอัตมาพูดนี่ถ้าจเจริญสติประธานสี่แบบที่อัตมาบอกเนี้ยพลิกมือขึ้นคอนขม้มือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังกำมือเยียดมือ เอาเนี่ยมือดิดหรือสัมผัสมือกันอยู่อย่างนี้ให้มีความรู้สึกไปไหนมาไหนทําเล่นๆไปทําเพื่อควาสนุกเนี่อย่างนี้ทํามือเดียวอย่าทำพร้อมกันสองมือสามมือทํามือขวามือซ้ายไม่ต้องทําทํามือซ้ายมือขวาไม่ต้องทําเราไม่ทําแล้วบัดนี้เราพิฟตาองให้รู้สึกเลือกซ้ายแลขวให้รู้สึกไม่ต้องทํามือก็ได้อันนี้เมื่อเราจะทํามือก็ได้เมื่อทํามือได้ไม่้จะกำหนดนะอันนี้อาตมารับรองได้จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างที่ ตำลาหรืออาตมาเล่านิทานปรัลลำปรลลาไห้ป่าเมื่อกี้นี่ว่าจะไม่หนีจากโยมเลยถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะไม่หนีเลยไม่หนีจากโลกนี้ไปนะรับรองได้ว่าสามปีสามปีนะความทุกข์ไม่ต้องมีแล้วเราจะอยูเ่เหนือความทุกข์ได้จริงๆอย่างนอนนะสามปีอย่างกลางปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวัน พออย่างเลยที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอนิสงไม่ต้องพูดเลยถ้าอนาหันก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดเลยเอาจะไม่มีทุกอย่างเดียวพออาจารมาไม่มีทุกจริงๆรับรองว่าทุกไม่มีแล้วอาจารมาจะเดินดินกินข้าวไปกับญาติกับโยนเนี่ยไม่ทุกเลิกออกไม่ต้องเป็นพระลานไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องไปมีทานที่ไหนแล้วนี่วิถทางเลยว่าความเย็นสวรรค์ก็หมายถึงว่าไม่เบียดบังกับคน เท่า น, นั้นเองนี่แหละคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆในอันนี้ไม่ต้องไปวิ่งเส้นว่วยวนเอาใครทั้งหมดเลยผีช่วยเราไม่ได้เทวดาช่วยรอให้ได้ไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าเองอยู่ที่นี่แหละนั่งอยู่ที่นี่แหละมาทําแทนเราก็ไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าท่าจึงสอนเอาไ ว, ว้ว่าตักขาตาโลตาถาคาตาอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแปลว่าพาตาถาคต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 เด็ดปีไหนจําไม่ได้คนเป็นหลายร้อยนะบอกว่าทําทําหน้าโยมอนะ่ะเฉยเลยฉเลยฉยเลยอาตมาก็เลยพูดขึ้นให้ว่าถ้าคนใดไม่ทําตกนรกนี่เลยถ้าพูดอย่างนี้เลยถ้าคนใดไม่ทํากับอาตมาข่าวเลยตกนรกใครอยากตกนรกไม่ต้องทําพูดอย่างนี้ใครไม่อยากไปตกนรกต้องทอําเนี่ยอาตมาก็บอกว่าเนี่ย ถ้าทำเดียเ่ยวนี้ต้องมีนิสยัยนิสยัยนิสัยคือเคยรู้นั่นเองว่าปารามีปาระแปลพร้อมเมีแล้วที่จะทําทได้เลยไม่ใช่ว่าสร้างสมอบรมปารมีต่อจากหลังตายแล้วอันนั้นมันเข้าใจผิดถ้าใครไม่ทำปารมีเดี่ยวนี้ยตกนรกบอกเลยนี่ทําตามไม่เอาเอานรกมาครูไม่ทําจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นต้องเอาสวรรค์เอานรกมาครูเอาเอาสวรรค์มาย่องมายุกเขายังทําได้ อันนี้เปลว่าคนด้านคนดือ้อคนมีมานะคนเป็นทิฏฐิอันนี้เราต้องฝังต้องทําตามที่ที่ได้นํามาเราให้ฟังวันนี้ก็เอาหลักอัตมาเข้าใจว่าสมควรแล้วเนี่ยจะสอนกันวิธีเดิจนจมกให้เพื่อเราเราต้องทํากันจริงไม่ใช่จะพูดให้ฟังอันนี้พูดได้มันกนเพียงแต่ว่าอาคาตโลตถาคตานั่นแหละอคาตาโลตถาคตาเนี่ย แปลว่าพัฒถานคดเป็นเจพูดเน็ตแนววิธีปฏิบัติวิธียกมือให้มีสติเท่านั้นการทําพวกเธอทําเอาเองท่านสอนอย่างนั้นผูรน้รู้เองอเห็นเองเธอรู้เองเธอเห็นเองเธอเข้าใจเองไม่ใช่อัตมาจะไปรู้แทนไม่ใช่อัตมาจะไปทําแทนทําแทนใครไม่ได้อัตมารู้อย่างนี้อัตมาจึงเอามาแนะแนวอย่างนี้เพราะว่าอย่างอื่นอัตมาก็ทํามาพุโทโธอนหางพองยุกดูลมหายใจอัตมาทํามามากแต่ไม่มีปัญญาไม่รู้จริงๆ อาตมาทําอันนี้อาตมาดูมันอาตมาไปรับกรรมฐานเมื่อแต่ําเมื่อเก้าข้ามอาตมาทําทั้งวันทั้งคืนเมื่อสิบข้ามอาตมาลุอาตมาเป็นคนจริงนะไม่ใช่ว่าพูดเล่นนะเนี่ยขอพูดจริงทําจริงต้องรู้จริงพูดไม่จริงทําไม่จริงมันก็รู้ไม่จริงเขมอนอันนี้คนจริงนะพูดจริงริงอาตมาจริงกล้าพวกคุณเนี่ยไม่เหมือนอาตมาสมมุตินะทําไม่จริงเอาให้เวลาสามปี อาตมาทำสองวันนี่ยมันรู้เนี่ ย, ยพวกเธอทำสามปีเจไม่ท้ออาตมาทำสองวันติดรวมกับบ้าอาตมาเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงเดินจงกรมดีกว่าเดินจงกรมเนี่ยเดินไปไม่ต้องว่าซ้ายยางหนอขวายางหนอไม่ต้องพูดยกส้นหนอยกหนอไปหนอลงหนอกดหนอถูกหนอไม่ต้องพูดอาตมาทำมาแล้วเรื่องนี้ทำแล้วไม่เกิดปัญญา อันนี้เขาเรียกว่าวิธีผมยุกอัตมาทําอย่างน้อยต้องเป็นเวลาแปดีเรื่องนี้มันเหลือไปแล้วเมในตำนานบอกว่าจิตปีนี่อัตมาทํามาเป็นเวลาซาเกือบแล้วแปดปีพื้นทามายกสนหนอยกหนอไปหนอลงหนอถูกหนอกดหนอได้ชานเขาว่าอย่างมันจะได้ชานทําไมมันจำเอามาพูดเอาไม่ใช่ชานีชานแต่ว่ารู้อัตมาก็เลยตัด ทิ้งไม่ต้องพูดเดินไปเฟรชเซย์เดินก้าวไปห mm hmm. นูทํางานอะไร mm hmm. จิงคูจิงคูเดินไปโรงเรียนบัดเนี้ยถ้าหากหนูมีรลื่อจั ก, กรยานหรือนั่งนกขตามถ้าเดินนั่นเงเลจั ก, กรยานก่อนขาขยายไปอย่าเนี้ยหยับบันไดมันให้มือขมรูดสึกถ้าไม่มีเลื่อนจั ก, กรยานเดินะก็เดินไปเซยเซยนี่แหละเดินไป เ, เดินก้าวไปก้าวไปหยักสิบก้าวลูกข้างนึงก็ยังดีดีก็ไม่รู้ mm hmm. เอาอย่างนี้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 บัไได้หนูเดินไปโรงเรียนไปสอนนักเรียนเดินไปอย่าเอาสติมากกำหนดเท่ามากเกินไปให้คอยดูควคิดดูต้นไม้หรือดูคนเดินผ่านไปตามถนนหนทางก็ได้แล้วมันคิดว่าขึ้นอ้ยคิดแล้วทิ้งไปเลยอย่าเข้าไปในควคิดถ้าเข้าไปในควคิดมันจะพาคิดโอ้คนนั่นผู้หญิงผู้ชายคนดูดูหน้าดูตาคนดําคนขาวมื่เสื้อสีนั่นสิไม่จอกเอาอันนั้นมันเป็นวิจตุปวิจารณ์ เห็นเนี่ยผ oh, oh, ู anyway. oh, the crowd, the s, ้หญิงคนสร้างผู้สรากระตามเฉยไปเลยโอ้คนมันแล้วมันไปเห็นไหมเนี่ยแล้วเห็นต้นไม้โอต้นไม้แล้วไปเลยอย่าว่าโอ้ต้นไม้เป็นจริงนั้งที่นี้ไม่ต้องวิพาควิจารณ์กันอันนี้เป็นวิธีเนี่ยคือว่ามันคิดกันแล้วไปมันคิดกันแล้วไปแต่ว่าต้องวิพาควิจารณ์นะอันนี้สมเมื่อพูดนะถ้ามีเรื่องขึ้นมาจะแก้ปัญหาไม่ได้นะบัดนี้อันนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคนเป็นรักของบัดเนี่ยมือเสื้อสีนั้สีกันไม่ได้อีกแล้วบัดเนี่ยอันนี้มันต้องเป็นปัญญาเน คือต้องรู้คนผู้ชายผู้หญิงะคนมีอายุกี่ปีประมาณนั้นเขาก็ให้รู้แต่อัตมาพูดนี่ไม่ได้พูดเรื่องอันนั้นคือพูดให้รู้ความคิดเมื่อกำลังคิดแว๊บขึ้นไปแล้วตัดทันทีอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คิดดีคิดชั่วไม่ต้องคิดบันนี้เราจะสร้างบ้านสร้างต้องมีโครงการคิดอันนั้นมือจะไปสอนนักเรียนต้องมีโครงการจะสอนเรื่องอะไรวันนี้ต้องสอนต้องคิดแต่คนคิดสนิทนั้นมันคิดมาแป๊บเดือวมนไปเลย อันนั้นเป็นเรื่องความคิดความคิดตัวนี้มันนําโทสะโมหะโลภะเข้ามาอันที่เราตั้งคิดขึ้นมานั้นมันไม่ต้อง น, นํํานาโทสะโมหะอันนั้นมันตั้งคิดขึ้นมาด้วยสติปัญญาความคิดอยู่ในสองอย่างด้วยค่ะความสงบก็อยนสองอย่างด้วยค่ะสงบจากอันความคิดแยบอันนั้นแหละแล้วก็มาอยู่ด้วยสติปัญญาตัวนี้อันนี้สงบแบบกานเห็นแจ้งอันสงบแบบโดยความคิดแยบบอันนั้นสว่าสงบใต้โมหะ ก็ราะมันองบมืดมืดอะไรสบให้รู้อันเดินไปก็ให้รู้นั่งกินข้าวก็ให้รู้นี่เป็นวิธีเดินจมก้มไม่ใช่ว่าเดินจมก้มเดินทั้งวันไม่รู้สึกตัวเลยอันนั้ก็เต็มทีเลยเดินไปจนตายไม่เป็นอย่างไงไม่ใช่เดินยังไงเดินก้าวไปก้าวมารู้นี่คว่าเดินจมกมเดินจมก้มก็หมายถึงเป็นอิริยบทนั่นเองให้เข้าใจว่าเดินจมก้มนั่นเพื่ออะไรเนี่เป็นอิริยบทเราจะทําอะไรจะปลูกบ้าน หรือจะซื้อของเสื้อผ้าหรือจะเสื้ออะไรก็ตามมันต้องคิดมันจะคุ้มค่างเงินเราไหมเราซื้อไปได้จะไปทําอะไรมันต้องคิด ies. อันนไม่คิดมันเขว่าคนบ้าอันนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นเราใช้สติปัญญาอันนี้อันนี้แหลยเป็นมหาโศลอย่างยิ่งมหาโศลมหาเทวาใหญ่อันนี้แหละเขาเรียกว่าปารามีไม่ใช่ปรารมีฐานอะปรารมีสีละปรารมีไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าฐานะปรารมีสีละปรารมีเนคะปรารมีอันนั้นมันเรื่องตำรา อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นฐานะปรามีเนี่ยฐานะเขาว่าเอาให้เอาให้ศีลละปรมีคําว่าศีลคนมีศีลเนอะไม่ใช่ว่าตายแล้วยัจะมีศีลสร้างสมอบรมปรมีอันนั้นเมืนเรื่องนอกเรื่องตาละเปียพร้อมมีแล้วอ้าวมันนี่ถามดูเนี่ยอ้าวกำมือดูเนี่ยมีแล้วมือก็มีพร้อมแล้วเนี่ยความรู้สึกก็มีพร้อมแล้วเขาว่าตาละตาละเปีย้อมมีแล้วคุณรู้สึกกับมันมีแล้วเนี่ยอันโมหะโทสารนั้นมันไม่มี พระพุททนสอนอย่างนี้อย่าไปนสนใจกับมันอย่างนี้มีโมหะโทสะแม่หนูมีนาท่านอุจลาราปรสวัชีไปนอนให้ท่านไปถ่ายคนที่สองอคนที่สามจะทําที่นอนให้ท่านทุกวันทุกวันเลคนที่สามคนที่สี่จะบวชแทนท่าน อ, อันนี้บวชแทนในบัดนี้คนที่ห้าจะพยายามทำให้ท่านรู้สึกคนที่ห้าออกบุญแทนคนุณของท่านได้นี่ว่า คนที่ห้าเนี่ยือว่าเอาพ่อเอาแม่ขึ้นไป็นสวัสดีไปวันนี้เปรียบพระปีหลายเรื่องวันนี้ไปจุดไฟอันนี้มันเรื่องประหลามปลาเนะี่ยไปจุดไฟพ่อแม่ตายจะไปตกนรกอะไรแบบนี้ไปเห็นผ้าเจี๊ยวอของลุงยันที่คุณวัดสันที่นะี่ยประเดี๋ยเห็นแสงไฟไม่เคยรู้แสงไฟคนพูดภาษาไม่ไม่รู้เรื่องเลยอ๋อแดงแดงนั่นถามถามเจ้าอยู่ปิบาลแดงแดงอั้นมาอะไรไฟไฟนรกอ่ะ โอ้ไฟนรกเป็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับผ้าจีวรที่เราเอาให้ลูกเราไปบวชเนี่ยคําว่าอันนี้กัเอาพ่อแม่เอาไปจนันนรกนล่ยเป็นเรื่องสมมุติในจะเด็ดเดือดหาตัวมาพอแม่เห็นแสงไฟเนี่ยมันมันคล้ายคลคือแสงไฟเนี่ยโอ้คือถึงลูกเราบวชอยู่สมัยนั้นเนาะลูกจะเคยบวชไม่เคยบวชหรืออันนี้ก็แปลว่ากานกระตุ้นใจในขณะที่บวชนี่ยมันใจดีด้วยกําลังทาดีได้ใจดีเท่านั้นกิบเดือนกันยังเป็นบุญเลยเขาส่ บุญไม่ใช่เราทำไทยในทันนะให้แนะนมาให้ท่านทําผมรู้สึกเอาเองางนันนี่เนี่ยทำคมรู้สึกให้ท่านบุญเรามาทําออกพีให้ได้ทานลูปกูเดียวบุญแม่แล้วพระพุทธท่านสอนเลยตาขาตาโลตาภากาตาเลยไปได้ยังไงเนี่ยนี่ตาขาตาโลตาภากตาเลยถ้าตาภาคตไปเป็นเพียงผู้แน่แนวเนี่ยการประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเธออันนี้กะเมื่อพระเจ้าสุบโทธนะนี่จะตาย ควจะตายจะบุนลมหายใจแล้วนะอันนี้ เ, เคยพูดที่นี่กับคนไหมมื่อนัน้นเคยพูดพูดที่นั่วนวรจะตายจะบุนลมหายใจแล้วนะสุอโททนะไม่มีโอกาสนั่นดีนะพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นัางใกล้ๆนะี่ยทำคมรู้สึกทําคมเราก็เคยสอนนะบารจิตตาให้มีสตินะคือสอนทําคมรู้สึกนะทํา ค, คาามรูนะ้ทําทำคมรู้สึกวนะันนี้ทําคมรู้สึกนิสสัมมาเราคอยดูคมคิดนะคอยดูคิดสุดโททนาก็เลยจับต้นเหตุกาเนิดที่เคยบอกหมดลมไป ไปได้เป็นันลอันนี้ก็รู้ไอเรอย่างนั้นวันนวันนี้จะปีสองปีก็รู้นขนาดนอนนํากันทุกวันหนูไข่คนนอนสองคนนี้นอนนูติกันนอนนําทุกวันทุกวันน่ยอาตมาก็ใจว่บกเบิกสบมือก็ต้องรู้ในวันนี้เราท็ไปได้พูทุกวันรู้ทุกวันแล้วก็ททุกวันัรู้ขนอันนี้เป็นว่าสนองบุญคุณของกองยวเราก็ต้องรู้ตามนั้น ใช่อันนี้เพิ่มกรเล็ดซ้อนไป อ, อย่างนีง้คนใดทําแต่ประโยชน์ส่วนตัวยังไม่ทําประโยชน์ให้คนอื่นอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าไปเายอีกอยก่างนึงนจะซ้อนหลายเรื่องคนใดทําแต่ประโยชน์ส่วนคนอื่นยังไม่ทําประโยชน์ส่วนตัวอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์สถาปคนใดทําประโยชน์ส่วนตัวและทําประโยชน์คนอื่นอันนั้นแหละเป็นลูกศิษย์สถาปน์อันนี้ค่ะอันนี้เขาว่า สติสัมปสัญญาบันนี้คำว่าตามพระเจดอันนี้คาว่าวิวิปสติบัพภะนี่เขาเห น, นสติบัพภะบัพภะบันนี้ว่าภาษาไทยเขาเียเขาว่เจ้าสติบัพภะแต่ตำราไทยเขาอารยบุเจอเขาไปพบในพระเจดีอันสติสัพภะบนนี้สัตนุสิเขาเอิ่สัมปสญญ คันว่าตามตัวที่บานว่าเขาเอิ้นสติปัจฉะเรียกตำราเขาในบ้าบ้านี้เขาโยหาว่าไมของใหม่หลวงพ่อเคยสอนอยู่สม่บ้านเลยมแม่นไมนของใหม่สิครมันจริงแม่ของใหม่อจริงเราอย่างก็แม่ให้ไม่เห็นนั่นเป็นการถูก ต, ต, ต้องเปล่ า, ถ, าถ้าเกิดสอนท่าอย่างเงี้ยเราไ ม, ไม่ไม่บาปอันนี้จะพูดคือเรารู้แค่นี้เราต้องสอนแค่นี้รู้จริงเนี่ยเราผมกำมือนี้รู้จริงโอ้นี่สติก็ไปสอนคนนั้นเดือด ทำมือไม่รู้จริงไหมเอาเพียงแค่นี้จะไปสอนเนือ้อเลยเราเขียนขอใกล้ไปจีไปสอนขอไข่ผิด <c oughs> เราเขียนขอไข้แล้วทีไปสอนโยอผู้ยืมมันผิดแล้วถ้า <c oughs> เกิดปัญญารู้แล้วนะค่อยสอนมนะันไม่ดีอันนั่งกระดีเหมือนกันอันนี้อันนี้พระพุทธเจ้าเคยประจำมีเข า, าเธอ <c oughs> เป็นพระอรหันต์แล้วยิงจะไปสอนคนถ้าครับเธอตายแล้วเธอจะได้สอนไหมก็มันยังไม่เห็นใจแจ้งกันจริงตอนโยนลูกเท่าใดให้สอนเท่านั้นเพราะว่าจะผิดอะนี่ใช่ เขาเข้าใจอย่เลยรู้ท่อใดให้สอนเท่านั้นทําองค์ย้อนท่งสอนอย่างนี้ถ้าหากเธอเป็นพระลังันนี่จะไปสอนตายแล้วยังไม่ได้สอนเลยพองค์ย้อท่งสอนอย่างนี้ใช่เออเนี่ยแบบเข้าใจอย่างนี้เธอมีรู้จักวิธีทําบุญกับองค์สอนให้รู้จักไปเปียวิธีทําบุญเธอรู้จักวิธีรักษาศีลให้สอนเพียงวิธีรักษาศีลเธอสอนให้รู้จักเพี่ยนไปแต่กรรมมือให้รู้จักแล้วก็สอนเพียยนไปกรรมมือรู้จัก เธอรู้จักเพียงดูลมหายใจเธอกคต้องสอนให้ดูลมหายใจเท่านั้นไม่ให้สอนนอกเหนือควารู้เราไปอย่างที่อาจารมาพูดเนี่ยอาจารมาเขาทํามาหลายแบบกันเรารู้หลายแบบวิธีเจนี้อาจารมาสอนทุกแบบมันก็นสอนไปทัวร์ตัวเตือไม่ใ่เไม่ใวัดเจนวันรู้ไปพรนะรหัสนี่ยังสอนไหมใช่อ ย, อย่าไหมอันนี้อาจารมาพูดความจริงนะนอาจามาสอนแม่บ้านอาจารมาในบ้านในรู้จักไหมรู้จักในบ้านอาจาม า, านนรเรยว่ามีอย่านี้ อาจารย์สอนแม่บ้านเี่เมียเนี่ยครับแม่เท้าสอนเต็มเพื่นสอนปัญญาปรมีเนี่สอนในห้องปัญญาปรมีทีพิ๊กซนสอนในนั่งกับมัธยมถ้าเขาหัวเราะเนี่ยเข้าใจได้เป็นหนพอผู้นี่อันนึงเขาว่าหน้าบึ้งใส่เขาไม่หัวราอนเนี่ยมันไม่ดีถ้าเขาบึ้งจริงจริงแล้วก็บริโภคศัพท์แดงๆเขาโอ้เจ็บแจะดีมันมีหลายวิธีสอนผลถ้ า, าเขาหัวเราะเนี่ยโอ้ย เขารักเราแล้วทําดูเนี่ยเขาจะเขาเขาอยากทำเนี่ยไม่ใช่เขาได้ทำเขาหัวเรอดทั้งหัวทั้งทำนะใเนี้เปออ็นยังไงคนเองบางคนหัวบึง้งขนาดหนีเลยหนีเลยเท่าหลังออยังวอาอีกได้ก็ต้องเอาหลายที<ห>่รวมพยายามยังไงให้มอกร ว, วมพยายามนี่สําคัญเราจะช่วยคนต้องต้องคนนะต้องกดคนจริงๆเนี่ยจะช่วยคนนี่ไม่ใช่ว่าจะช่วยเขาสมมติอย่างนี้นะ เคยเห็น e คนจมน้ำคนจมน้ำถ si yeah, em, yes, no mm ้าคนตรงน้ำจมอยู Likewise, no time, ou, ่ท่หน่อยโอ๊ยไปถ่ายผ้าคนนั้นเลยคนนั้นตายเพราอดีคนจมน้ําเราจะไปถ่ายผ้าคนคนจมน้าตายแล้วเพราะดีเขาจมน้ําเราจําเป็นต้องจําเป็นเสื้อผ้าต้องเปียนกระโจนออกเขาไม่ตายเราไม่ตายเพราะกันนั้นเพราะว่าจําเป็นต้องให้เขาด่าด้วย เขาจะว่าจะในเขาด่าไปแล้วจาเป็นต้องเขาได้อัอนนี้การะมือกันคนตกน้ำต้กระโจนทันทีอันนี้คนตรงนั่กับพวกเราเนี่ยบริหารกต้องฮีโร่ทันทีเพื่อนบุตรตาเรา ต, ตายแล้วบรไหารโลกพึ่งส ม, มุิหลายเรื่องท่าพระเจ้ามีปัญญาคนมีปัญญาเลยเคยไหมครับเคยเือลักลัสรู้ไห ม, ไ ม, ไ ม, ไม ไม่คือหมายหมายความว่าถ้าถ้ายมไปรักษาศีลไปทําอย่างอื่นนะไม่ทําอย่างนี้รู้สึกหรือเปล่าคือยอมไปนั่งรักษาศีลอย่างนี้เนี่ยแต่ไม่ทําอย่างนี้จะรู้สึกไหมถึงรู้สึกว่ารักษาศีลไหมรู้สึกว่าทําอย่างนี้ไหมถึงไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเออนี่นะเนี่ยอันรักษาศีลมันดีส่วนหนึ่งครับอันทําอย่างนี้มันดีส่วนหนึ่งครับเขาจะแบบนี้สมมุตินะไม่ใช่ของจริงนะสมมุติโยมไป สร้างกองกฐินหนึ่งกองสมมุตินะแต่ไม่ใช่ห้ามนะเนี่ยให้ทําแต่ว่าสมมุติให้ฟังแล้วคุณไปสร้างกองกระฐินโซนหนึ่งกองหนึ่งแล้วไม่ทําอย่างนี้จะรู้สึกไหมยอย่างนี้จะรู้สึกไหมสท่งอย่างนี้ไม่ไม่จะรู้ไหมสร้างกองกระฐินแต่ไม่ไม่ไม่ทำอย่างนี้ไม่ทํำก้มรู้อันนี้จะรู้ไม Keys, หมหมายความว่าหลวงพ่อถามว่า ถ้าทํางนี้เรารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรารู้รู้ตัวรู้กันตัวเองค่ะว่าการการทําะไรการทันตินี้เป็นการทําที่เรารู้ว่าเราทำแห่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะรู้อันนี้ไหมสนุกจะรู้อันนี้ไหมรู้ที่เรารู้ตัวเองจะรู้ไหมการทำที่เรารู้ว่าตัวตัวรู้ไหมจะรู้ไหมนียังไม่เข้าใจคำพูดคือคือคือหลวงพ่อถามว่าอย่างนี้ฮะถ้าลุงอเจคทํางนี้นะฮะเจคก็รู้สึกว่าตัว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 ไปเลยนี่แหละเนี่ยของจริงของแท้มันนี่โยมไปรักษาศีลศีลเขาแปลว่าปกติครับแต่เราไม่รู้แต่มีศีลเนี่ยเขมีแบบนศีลเขาคือคุณรู้สีกนี่มันเป็นปกติเราก็ทํำนี่ยก็รู้สึกว่าศีลเป็นปกติครับแต่ไม่ใช่ว่าห้ามอนันต์นะที่อจะมาพูดที่บรงทีจะฟังผิดไปโอ้ยมตาเนี่ยห้ามไม่ให้ทําบุญไม่ให้รักษาศีลปกติเข้าใจอย่างหนึ่งไม่ใช่เข้าใจอย่างนั้นเลยอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะ แต่เข้าใจคือว่าเราจะอ น, นั่งก็ดีแล้วตแต่ว่าทําอันนี้ไปพร้อมให้มีสติให้มีสติไปพร้อมให้มีสติทําอันใดให้มีสติคือให้ทำพรมรู้สึกถ้าเราไม่ไม่ทำพรมรู้สึกอันึ่งก็ได้บุญอันนั้นอันนั้นมันอีกเรื่องนึงอันนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งบคนละ